บรรยายธรรมวิภาคนักธรรมชั้นตรีบนที่เจ็ดโดยพระมหาภัยร้อทิตาสีโลอันดับต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่องอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างในหลักสูตรของนักธรรมชั้นตรีเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและท่านผู้สนใจในธรรมสืบ ต, ต่อไปอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างนั้น ก็ได้แก่หนึ่งต้งสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้เห็นสองตงสั่งสอนวิเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้สามต้งสั่งสอนเป็นอัจากการรย์คือผู้ปฏิบัติตามาย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่การปฏิบัตินี่คืออาการที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนสามอย่างสามเจอกัน ทีนี้ปัญหาก็ที่เราควรจะรู้ควรจะศึกษาก็อยู่ตรงที่บอกว่าทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในทางที่ควรรู้เห็นรู้ยิ่งเห็นจริงในทางที่ควรรู้เห็นทําอะไรที่ควรรู้เห็นทำที่ควรรู้เห็นนั้นมีสองประเภทคือหนึ่งทำที่ควรละเว้นอย่างหนึ่งสองทำที่ควรประพฤติปฏิบัติหรือทําให้เกิดมี อย่างหนึ่งนะที응นี้ทำที่ควรละเว้นคืออะไรก็คือทุจริอันนี้ควรละเว้นคืออาภัณฑธรรมทั้งหมดอันนี้เราควรละเว้นอ่า응อันนี้มีโทษมากอ่า응มีโทษมากนักปราชญ์ติเตียนผู้ใดประพฤติอ่าผู้นั้นก็จะประสบแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนะฮควรละเว้นเสียนะ응ควรละเว้นเสียหรืออย่างอบาลยามุกสี่อบายามุกหกตั้งแต่เรียกว่า เป็นนักเลงหญิงนักเลงชายนักเลงสุรานักเลงการทํางานคบทุ้งชั่วหรือเป็นคนเกียจคร้านอะไรอย่างเนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นควรละเว้นถ้าหากเราไม่ละเว้นเราก็จะมีแต่ความสื่อมเราก็จะมีแต่ความหา ย, ยานันะนะทีนอ้ธรรมที่ควรประพฤติก็คือว่าสุจริตธรรมนะสุจริตธรรมก็คือว่าในสิ่งที่ดีที่งามก็คือคุศลธรรมทั้งหมดอันนี้เป็นธรรมที่ยนักปราชญ์สรรเสริญ ผู้ใดประพฤตแล้วก็เป็นบุนเป็นพิสมเป็นประโยชน์กับผู้นั้นถ้าผู้ใดได้ประพฤติกุศลธรรมได้ประพฤติสุจริตธรรมผู้นั้นจะได้มีแต่ความสุขหรือมีแต่ลาบล ด, ดสุขสังนเสริญตรงกันข้ามถ้าใครประพฤติผู้นั้นก็เสื่อมลาบเสืยย่อมลดแล้วก็มีมินทาแล้วก็อ่ามีทุกข์นี่จะต้อ ง, องได้รับอย่างนี้ ฉะนั้นอันนี้แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ว่าพระองค์ทงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้เห็นนั้นก็คือว่าพระองค์หวังที่จะให้ผู้ฟังได้ปัญญารู้ทั่วถึงนะรู้ทั่วถึงพระองค์ไม่ตกปิดนะไม่ตกปิดไม่ซ่องความรู้ของพระองค์ไว้นะฉะนั้นอันนี้แหลอะอจึงเป็นหลักอันหนึ่งของอผู้ที่จะเป็นครูสอนคนว่าธรรมดาครูนั้นย่อมไม่อัมพร ไม่ปิดบางความรู้ต้องสอนศึกให้รู้จแจ้งเหมือนกับเปิดของที่คว่ำหายของที่คว่ำให้รู้ล่าของที่มันคว่ำอยู่มันมีอะไรอะไรที่มันยังลี้ลับอยู่เร า, เาก็กระเทาะมันออกมาเพื่อให้ผู้ฟังได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรดูเห็นดังที่ว่างมาอันนี้เนี่ยฉะนั้นพระองค์จึงสแสดงเปิดเผย อ, อย่างสิ้นเชิงไม่มีข้อลี้ลับไม่มีข้อที่จะติดฟังไว้ไม่ให้ผู้อื่นไม่รู้ สิ่งใดที่ผูเอื่อยากรู้พระองค์จะอสอนให้หมดนะสอนให้หมดฉะนั้นแต่ว่าถึ่งนั้นก็ต้องเป็นอเสียงเป็นธรรมนะเป็นเสียงเป็นธรรมฉะนั้นในข้อนี้นี่ยจึงใไสจะบอกให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าธรรมที่ควรละเอ้นก็คือทุจริตหรืออุตส่าหกรรมธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติควรทําให้มีก็คืออุตส่าหกรรมกับสุจริตธรรม เพียงแต่สังข้อแค่นี้เราก็มองเห็นชัดแล้วว่าคนเราทุกคนนั้นถ้าหากว่าไม่รู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมที่พระองค์ได้เห็นเนได้สอนอย่างนี้เราจะไม่มีความทุกข์เลยนะจะไม่มีความทุกข์เลยเราจะไม่มีความเดือดร้อนเลยนะเราจะมีแต่ความสุขแต่ว่าเรานั้นไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่ทํมที่ควรรู้เห็นนี่เพราะอะไรเพราะเรายังมีกิเลสัญหากันอยู่มาก ยังมืออวิชช า, ากันมายังรื้ไม่จริงรู้ไม่ถูกอืรู้ไม่แจ้งนี่มันรู้ไม่แจ้งแน่นอนที่สุดเราก็จึงมีพระสัจจะความทุกความเดือดร้อนคุกค า, างจึงต้องหนาแน่นไปด้วยผู้คนต่างๆอืทุกเพศทุกไว้ทุกชาติชั้นวรรณะฉะนั้นนะทุจริตนี้แหละเราควรละเว้นทีนี้ท่านจะฟังหราอไม่คำว่าทุจริตนี่หน้าคิดสักหน่อยทุจริต เจดิตย์ป ว, ว, นะว่าแว่าประพฤติชั่วนะแปลว่าประพฤติชั่วอย่างหนึ่งไอ้อย่างหนึ่งก็คือแปลว่าประพฤติยากไอ้ทุกข์นี่แปลว่าชั่วยากนะที่นี่ความชั่วเนี่ยมันยากนะทํายากนะท่านท่านผูฟ้ฟังเราคิดดูนี่อาตมาจะพูดให้อาจจะเสริความรู้สึกท่านผู้ฟังก็ได้ว่าความชั่วเนี่ยเรามักจะพูดเปว่าทําง่ายความมีทํำยากจริงๆแล้วธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสทุตเจดิตเนี่ย ใจว่าจะพุทธยากทุกเนี่ยแปลว่ายากอ่าเจริญแปลว่าความจะพุทธพระพุทธยากสึกเจริญแว่าจะพึทง่ายเสร็จไปว่าดีงานง่ายจะพุดแล้วดีอ่าจะพุดแล้วงามจะพุดแล้วง่ายความดีทําได้ง่ายอ่าเอาท่านลองคิดดูเราทําดีไม่เราทําได้ตลัดเวลาคนมากจะทําได้คนน้อยจะทําได้นี่าทําได้ทั้งนั้นทําได้ทุกโอกาสแต่ว่าความชั่วเราทําไม่ได้ทุกโอกาสมันยาก มันยากเป็เรียกว่าพุทธเจดเนี่ยเป็พุทธยากเพราะเรากลคนจะเห็นเราต้องคอยหลบซ่อนๆนี่แหละจึงไม่เรียกว่าพุทธเจดิติใช่ไหมเพราะไอ้พุทธจเจเนี่ยมันยากเพราะเราต้องคอยหลบคอยซ่อนกลัวเขาจะรู้อกลัวเขาจะเห็นกลัวจะถูกจักไปถูกจองจำกลัวจ ะ, ะติดคุกติดตรากลัวเขาจะฆ่ากลัเขาจะยิงกลัวเขาจะฟันนี่มันกลัวไปหมดเลยนี่แหละมันกินยากอ่าจินยากแต่เรามักจะพูดกันว่าไอ้ความเชื่อมันทําง่าย แต่ความดีทํายากไม่ใช่ถ้าจะพูดให้ถูกพระพุทธองค์ท่านกล่ไว้อย่างนี้ว่าความดีอันคนดีทําได้ง่ายความดีคนชั่วทําได้ยากความชั่อคนชั่วทําได้ง่ายความชั่วคนดีทําได้ายากน่อย่างนี้ชัดเลยชัดเลยไม่ใช่ว่าความดีทําได้ยา ความเชื่อทำได้ง่ายอันนี้ผิดอันนี้ผิดนี่มันเป็นภาษาชาวบ้านที่ที่พูดกันเลยที่ว่าไม่ได้มาปีนิพพินนาเอาความหมายให้ถูกต้องความทำนองตรงงต่ำฉะนั้นจะบอกว่าทุจริตไม่เป็นการ้ย่าทุจริตทางกายทางวาจาทางใจอทั้งทุจริตก็ทางสามทางอีกเหมือนกันก็คือทางกายทางวาจาทางใจนี่มันเกิดขึ้นอย่างนี้พูดง่ายว่าบนบาสเกิดขึ้นก็ทางกายวาจาใจฉะนั้นถ้าหากว่า เราทุกคนนั้นมาประพฤติ ก, กันแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเป็นบุญเป็นกุศลแน่นอนที่สุดเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญก็ขอให้เราทํากษตรในทางที่ดีคนทำในทางที่ดีนั้นความก็ย่อมได้ดนะีทำชั่วก็ย่อมด้ชั่วอันนี้มันเป็นหลักความจริงในทางพระพุทธศาสนาที่ไม่ผิดภาพอยู่แล้วนะอันนี้จะยกตัวอย่างให้ฟั ง, งว่าคนทำดีได้ดีอันนี้ก็มี โยมคนหนึ่งชื่อว่าโยมเปี่ยม น, นะโยมเปี่ยม น, นี่เป็นคนอำเภออุทยัยจังหวัดอยุธยาโยมเปี่ยมเป็นคนใจบุญสนทานมากให้ทานรักษาศีลเจริงภาวนาจะพุทธตนทำจะพุทธตนอย่างนี้มาหลายสิบ ป, ปีฉะนั้นผลบุญที่โยมเปี่ยมได้จะพฤทธปฏิบัตินี้ก็อํานวยประโยชน์ให้โยมเปี่ยม น, นั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ วันหนึ่งผลบุญก็ให้ผลอย่างเต็มที่โยมเปี่ยมก็บอกสามีบอกว่าพวกนี้ฉันจะลาแล้วนะอสามีก็ถามว่าจะลาไปไหนก็บอกว่าพวกเทวดาเขามารับฉันไปแล้วอฉันจะไปเมืองสวรรค์สามีบอกไหนเมืองสวรรค์ด้วไหนใครมารับเขาก็ชี้ไปบน้อนฟ้าสามีก็เก็ออกาอสายายาของเหล่านี้คงจะไม่สบาย เดือดร้อผลใหญ่จะแล้วเขามองไปไม่เห็นมีอะไรเลยบนสวรรค์ก็มีแต่อากาศมีอแต่ท้องฟ้าเวงวังแล้วเกศก็เท่าล่ำลาเปนอื่นเหมือนกันออืบอกว่าเรืงนี้ฉันจะลาแล้วนะฉันจะไปแล้วกระถางจะไปไหนล่ะฉันก็จะไปเมืองสวรรค์บอกว่าเทวดาเขามารับแล้วนี่อันนี้แหละท่านผู้ฟังทั้งหลายมันก็เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้คนก็ไม่เชื่อไม่สนใจตามที่โยนเปลี่ยนผู้ คนน้นก็ยังเปลี่ยนนี่คงจะเท้อยไปนะต่ำๆโตโสไปหรือคงจะเป็นไข้ขึ้นหรือว่างั้นเถอะนะอาการไม่เคยดีจะไม่ชพูดจากนั้น <c oughs> ที่นี่แกก็ยังบอกใครว่าที่ไม่ไปวันนี้ก็เท้อบอกว่าได้สั่งให้สามีชื่อชื่อในลมสามีชื่อในลมว่าให้ห่อเขาเส้นผัดไว้พรุ่งนี้จะได้เอาใส่บาตรพระว่าใส่บาตรพระเจก่อแล้วก็จะค่อยไปกับ ตเมืองสวรรค์ที่เทวดามารับก็ขอผัดไว้ก่อนปรากฏว่ารุ่งเช้าสามีก็ห่อกระเจมผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็เอาไปใส่บาตใส่บาตเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, ลว ก, ก็ยังกินข้าวต้มนั้นไปสองติดนะกินไปสองติดข้าวต้มผัดน่เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วแกก็เลยให้สามีนั้นเอาหยัดผ้าใหม่ผ้าใหม่แกผ้านึ่งผ้าหม่มและเสื้อใหม่ของแกมา มาเสร็จแล้วเสร็จก็บรรจงนุ่งห่ม อ, อย่างดีใส่เสื้ออย่างดีแต่งตัวสะเตยวงานเสร็จเรียบร้อ ย, ลยแล้วแสรก็ไปที่ห้องพระกราบพระไหวพระอย่างดีสวดมนต์ไปสักพักหนึ่งสวดมนต์เสร็จแล้วเสรก็ลุกเข้าไปเข้าที่นอนนะเพราะแกไปนอนได้พักเลยแล้วแก็สิ้นใจไปเลนี่เห็นไหมท่านผู้ฟั ง, งอันนี้มันก็ คือท่านอาจจะนึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมันก็อาจจะเป็นได้แต่มันเป็นเรื่องน่าเชื่อมันก็เป็นได้เพราะยมเพี่ยนเป็นคนดีแล้วเหตุการณ์อันนี้มีอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ายมเปลี่ยนไปสวัสด์ใช่อันนี้เราก็ไม่รู้เราก็ไม่เห็นผู้ที่จะเห็นนั้นจะต้องเป็นคนมีบุญนะต้องเป็นคนหูทิพย์ตาทิพย์แต่ยมเปลี่ยนแค่รู้กับคนเดียวคนอื่นไม่เห็นอันนี้มันก็ไปตรงกับในหลักของพุทธศาสนา ในเรื่องของธรรมิกะอุบาสกธรรมิกะอุบาสกนี่มีลูกหญิงลูกชายสิบหกคนนะมีลูกหญิงสิบลูกชายสิบหกคนเป็นคนใจบุญสนถานมากก็อสอนลูกหญิงลูกชายให้ใจบุญสนถานตามพ่อตามแม่เลื่องนั้นก็ว่านอนสอนง่ายเป็นคนประพฤตอตามพ่อตามแม่เรียกว่าอะอนุกชายประพฤตรคือบุตรที่จะเริญรอยตามพ่อแม่วันหนึ่ง ทำให้เกา่าอบาศก์ก็ไม่สบายขึ้นก็อยากจะฟังธรรมก็บอกให้เลิกนั่นนะ่ะไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอให้ทรงพระผู้ทรมามาเสด็จธรรมมาสาธยายธรรมให้ฟังจากแปดเอง้องวิสิภกองก็ได้แล้งกันนะก็ปรากฏว่าพระพุทธองค์ก็จะให้พระมาเสด็จตามที่ทำให้เกา่าบาศก์ต้องการนีพอพระสงฆ์มาถึงที่บ้านก็ถามว่า โยมต้องการจะฟังสูตรไหนล่ะอโยมต้องการจะฟังสูตรไหนโยมนั่นก็บอกว่าอยากจะฟังหมาสติประธานาาาสาสรรานาสูตรอพระก็เสวตหมาสติประธานสูตรให้การสวดว่าในขณะที่พระเสวตบอกว่าเอกราญโออ ย, ยังพิฆเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาในขณะที่พระเสวอย่างนี้ขึ้นแค่นั้นแหละพวกเราเทศส ร, รดามาจากสวรรค์หกชั้นอ ยัียมมามาเป็นพันๆตัวเอารถกันมาอย่างโอ้โหบรรดาบดาด้วเครื่องอลังการสวยสดงดงามเพื่อจะมารับเศรษฐีนะมารับเศรษฐีเศรษฐีก็มองเห็นเลยว่าโอ้โหเทพประดานุมาจากปรคหลัชขดฉันแข่งกันมารับตัวเองเลยว่าไงเถอะมารับตัวเองตัวเองก็เลยพูดขึ้นในขณะนั้นว่ายุก้อนยุดก้อนยุดก่อนนี่พูดกันไอ้ที่พูดว่ายุดก้อนยุดก้อนเนี่ยท่านห้ามว่า อย่าพึ่งมารับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้กําลังจะฟังธรรมกําลังจะฟังพระสสดอ็จกําลังจะฟังพระจะเริยนพระพุทธมนต์ว่ากันเถอะอแต่ว่าพระไม่เข้าใจอพระที่ไปเสด็จมันไม่เข้าใจถ้าพูดอีกไหนมันก็เรียกว่าบารมียังสัํากว่าไม่ถึงธรรมิกาอุบาสกเราฟังกันไม่รู้เรื่องธรรมิกาอุบาสกพูดกับเทเสวยดาแต่พระนั่นสําคัญว่าพูดกับตัวเองพระมองไม่เห็นเทเสวยดาเลยเหมือนกับเโยนเปลี่ยนเมื่อกี้ ท่านท้านั่นก็เลยเออเมื่อก่อนนี่ทามิการุบาศกนี่ตาพระมหาจะฟังทำไป อ, อาราธนาให้เรามาเสวตทำแต่บัดนี้กลับบอกให้เราหยุดแล้วแสดงว่าไม่ต้องการเห็นท่าจะไม่เห็นผลมแล้วกลับดีกว่าก็เลยพากันกลับไปกลับไปตอนนั้นอทามิการุบาศกก็หลับไปชั่วครู่หนึ่งนะหลับไปชั่วคร อ, อ่เลูกก็ร้องกันจะจรองแง่เลยว่า เออพ่อเราไม่คงจะตัวตายแต่เราเรามัง่งค่ะฟังเสีสยงพระพระเสดจะคงจะตัวตายออนะพวกพ่อเราคงจะตายแน่แล้วก็ดูเงียบไปออีกสักพักหนึ่งทำไม่กลัาบมาสกก็ตืนต่นขึ้นมาพเตื่ขึ้นมาก็ไม่ได้ยินเสียงสากก็ถามบอกอ้าวพระไปไหนหมดแล้วเนี่ยแเราไม่ร้างกันทำไมลูกก็บอกว่าก็าจะไม่ร้างยังไงก็พ่อะไม่กล้าไม่ตราธนาที่จะสังรร่งทำแต่ให้มีมนพระมาเจริญธรรมมาเสด็จธรรม แต่พอพระเสด็จไปได้สหนึังพ่อกลับมาปฏิเสธกลับมาห้าไม่เสด็บอกให้หยุดทำให้เกาาิดบาเสกก็บอกกับลูกว่าที่พ่อพูดอย่างนั้นน่ะพ่อไม่ได้พูดกับพระนะไม่ได้ให้พระหยุดน ะ, ะพ่อพูดกับเทวดาว่าเทวดานั้นได้อวราชรถมาเทียมมาด้วยมา้าสินทบแ ม, ม่ม้าอาชาในม า, มาเป็นพันๆตัว มาจากสยามหกชั้นี่มารับพ่ออพ่อก็เลยบอกให้หยุดกรจะเพิ่งเข้ามาเนี่ยจะเพิ่งเข้ามาลูกๆ ก, กับเออพ่อนี่คงจะให้ ข, ขึ้นสูงอย่างว่าอีกนันแหละนะเร า, ายกให้คงจะขึ้นสูงแน่ไม่ได้เรื่องซะแล้วก็เลยบอกว่าไหนลราพ่อว่าเธอดาม่ารับแต่ก็ชี้ไปที่ท้องฟ้าอีกนั่นแหละโน่นอมารับเงินจอดเรียงรายกันเป็นแถวเลยแต่ละคนก็แย่งบอกว่าใครจารนาที่ จะไปกับเราก็ขอให้มาขึ้นรถคันนี้อจะขึ้นจากอแต่ละคันก็ค้นหนึ่งมาจากอดาวา์นึงคันหนึ่งก็มาจากอืชั้นดึสิึมาจากชั้นยามามาจากชั้นลึมมามาจากชั้นโตนุ่มาเรียกว่าสวั่งหกชั้นมียครบเลยอหกชั้นมาครบเลยทีนี้ก็ปรากดพ่อเลยบอกว่าเอาอย่างนี้เมื่อเลิกไม่รู้ว่า ว่าโลกอาจจะคิกว่าพี่พ่อโตไปนู้นจนรุ่งโผล่โตเป็รุ่งไหลไหลโลกไม่เห็นโลกมีดอกไม้มีพวงมาลัยไหมที่จะมาให้พ่อเนี่ยโลกทุกคนบอกมีเจ้าพ่ออ้าวถ้าอย่างนั้นโลกก็อธิษฐานทางศาสาทานนาไม่ดีว่าโลกอยากให้พ่อไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนแล้วโลกจะอยากจะไปเกิดอยู่ในชั้นไหนอ่าที่ที่โลกดีใจที่โลกศาถนาที่โลกควรจะพอใจโลกทุกคนก็บอกว่าชั้นเบ็ดเสร็ โลกก็การธนาที่จะไปสวรรค์ชั้นฤาษินะแสดงโลกก็เอาโพรมาลายเนี่ยโยนขึ้นไปบนอากาศปรากฏว่าโลกทุกคน่โยนโพรมาไลายไปแล้วโพรมาลายก็ไปคล้องบนงานรับบนงานรับที่มาจากชั้นฤสษิรออยู่อย่างนั้นเองลูกทุกคนเห็นกันหมดไม่ใช่แต่เพียงโูกแค่นั้นประชาชนก็ยังเห็นโ่วกันหมดเห็นหนะไม่เป็นเครื่องเคียเห็นว่าคนมีบุญถึงที่แล้วนั้น ย่อมจะมีหูทิศ ต, ตาทติที่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถจะเลื่อมรู้ได้ไม่สามารถจะเลื่อมรู้ได้เหมือนอยังทำให้กลอุดบาปถ้าเรียกว่ามีบุญจนที่แล้วหรือเหมือนอย้อนเปลี่ยนที่บอกว่าเที่ยวไปที่ยาคนโน้นคนนี้บอกว่าฉันจะไปสวรรค์แล้วแกก็ไปจริงจริงด้วยแล้วแกก็มาได้มีอาการอะไมากเสวยบนณเฑียรพระย่างนี้แล้วแกก็ไปแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยเขาเอารับมารับเนี่ยนี่อันนี้มันเป็นไปได้ท่านผู้ฟัง มันเป็นไปได้แกก็ไม่ได้เก็บไข่ไปหมักอะไรนักหนาเนี่ยทาไม่เกะเอามาสุกก็เหมือนกันเนี่ยเหตุเกิดเหมือนกันเลยฉะนั้นอันนี้แหละมันก็เป็นสิ่งที่ชี้ชัดแล้วว่าเราทาบุญนั้นไม่เสื่อมหายนะไม่เสียหายาเราทาบุญต้องได้บุญนะทำบุญไปได้อย่างอื่นไม่ได้ทำบุญไปได้อย่างอื่นไม่ได้ทำอย่างไรได้รับอย่างนั้น ให้ของดีก็ได้ของดีให้ของไม่ดีก็ได้ของไม่ดีฉะนั้นที่เจ้าพระเจ้าเลยตรัสเลยว่ายาที่สั่งละพเจพีชังตาที่สั่งละพเจรพลังกัลยาณการีกัลยาณังปาประการีจะตาประกำคนหว่านเพื่อเช่นใดก็ย่อมได้รับผลเช่นนั้นทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนี่มันหลักความจริงฉะนั้นยอมเปลี่ยนก็ดีทำให้เก่าบาสุก็ดีเพราะทําดีจึงได้รับความดี มีสุคติมีสวรรค์มีธมรโลกตปนที่ไปในเรื่องหน้านะมารล้วเพราะฉะนั้นท่านเจ้างฟังทั้งหลายเงินทานการกุศลที่ท่านได้ประพฤติได้ปฏิบัติให้เป็นไปขอให้ท่านพรมใจทว่าท่านได้รับแนนะ่ท่านต้องได้รับแน่ไม่แนะ่สนะักวันหนึ่งท่านอาจจะตั้งองออร่ำลาใครบอกว่าเธ อ, อพพญามารับแล้วนะจะไปสวรรค์นสะักวันหนึ่งท่านอาจจะพูดแบบนั้นนะแต่ว่า ขอประธานโทษอย่าเพอ้ออย่ยาเสือกตัวไปคูดเทร้าคนละกันนะเดี๋ยวคนก็จะว่าไข้ขึ้นสูงอีกนั่นแหลนะไม่เป็นไรอันนี้เราทำแต่ในทางที่ดีที่งามอาเส่วนในทางอาที่ชั่วก็มีเยอะนะในทางที่ชั่วมีเยอะเกี่ยวกับพุทธจิตนะเราควรรู้นะเราไม่ควรไะพึ่งเราไม่ควรปฏิบัติเพราะ ม, มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนนะไม่ดีไม่งานนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งานอันนี้แหละเลิกว่าเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนในเหตุที่ อขอระทาโทษเรียว่าเป็นธรรมะที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้เห็นธรรมที่ควรรู้เห็นก็คือว่าทำฝ่ายดีแล้วก็ทำฝ่ายชั่วดีก็ให้รู้ดีจริงๆชั่วก็ให้รู้ชั่วจริงๆเมื่อเรารู้ดีดีชั่วตามความเป็นจริงแล้วสิ่งใดที่ดีเราก็ประพฤติปฏิบัติสิ่งใดไม่ดีเราก็เลิกละอย่ประพฤปฏิบัติอย่างนี้ ก็คิดว่าท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นที่มาในข้อที่สองที่บอกว่าทรงสั่งสอนมืเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้อนคำว่าจงสั่งสอนมืเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้หมายความว่าไงก็หมายความว่าธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนนั้นมืเหตุมือผลที่ให้ผู้ฟังไม่ใช้ปัญญาพิจารณา ให้เกิดเห็นคล้อยตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนได้นี่ท่านเคยฟังตั้งหลายท่านลองนึกดูที่ว่ายังเช่นบอกว่าพระพุทธองค์บอกว่าความโลภความโกรธความหลงเมื่อมันเป็นทุกข์ถ้ามันอยู่ในจิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็เป็นทุกข์ผู้นั้นก็เดือดร้อนตราดใดที่เราเกิดความโลภขึ้นในใจเราจะเดือดร้อนขึ้นทันที เราจะเกิดทุกขึ้นทันทีเพราะความโลภมันอยู่คั้นจิตใจของเราให้ความโลภนี่คือตัวอยากได้อคือตัวอยากได้ไอ้ความอยากได้ในที่นี้ทําให้เรานั้นอยู่ในภาวะปกติของความเป็นคนไม่ได้ปกติของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ต้องแสดงอาการวิตกฤตผิดแผ่ไปอแสดงอากา ร, รลุกนี้ยวุ่นลุนบางครั้งไม่ได้อในทางที่สุ่นวิตก็หาทางทุจริต อี่สารโดยมากความโลกเกิดขึ้นแล้วก็มักจะไปในทางที่อ่าทุจริตถึงไม่ทุจริตถึงเป็นที่ก็สแสดงความมคุณมิการ<ม>ออกมาทางกายทางวาจาจนเป็นที่สิจิมินทาของท่านผู้รู้ของนักปราชญ์ทั่วไปอันนี้ขอท่านผู้ฟังลองใช้ปัญญาพิจารณาดูนะจะเห็นอย่างนั้นคือเขาหลายออกไปอีกก็ถือว่าครั้งหนึ่งเอพระพุทธองค์ได้เคย สั่งสอนแก่พวกชาวกาลามโคตดหรือว่าพวกชาวเกศาปุตติกานิคมในโกสลรับว่าให้พิจารนาว่าพวกท่านทั้งหลายควรพิจารณาว่าความโลภนะโลภะโทสะโมหะอเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกเป็นเหตุให้เกิดโทษปรากฏว่าพวกชาวกาลามโคตดนะหรือพวกชาวเกศาปุตติกานิคม ในแคว้นโกศรัดัชนั้นได้ใช้สติปัญญาพิจารณาก็เห็นจริงดํานั้นอนะพวกชาวเมืองอันนี้รู้สึกว่าเป็นคนมีสติปัญญาเฉลีฉลาดดีมากนะสามารถสลิตรองธรรมหรือเรียกว่าอฟังธรรมแล้วก็พิจารณาด้วยสติปัญญาก็เห็นจริงตามที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนดังนั้นอันนี้พวกเรานับเป็นปฏิบัติธรรมนักศึกษาธรรมก็ลองพิจารณาดูว่าเป็นจริงอย่างที่อาตมาพูดไหมนะ ถ้าเราใช้สถติขึ้มาโดยตองแท้เราเราก็จะเห็นชัด <c oughs> พระพุทธองค์ไม่จาบเลยว่าในความเลิกความโกรธความหลงนี้มันเกิดขึ้นในใจของผู้ใดมันก็กัดจิตใจของผู้นั้นเผาจิตใจของผู้นั้นให้ก่อนไปให้ไม่ไปให้เยื่อเกื่อนไปผลที่สุดก็คือว่าตายตายจากคุณงามความดีเรียกว่าหมดคนงามความดีหรือว่ามิจฉาเนื้อตัวตายจริงๆอตัวตายจริงๆ คนเราเมื่อมีความเลภความโกรธความหลงมากๆมันท่วมทับจ so, ิตใจมากก็ทําแต่ความชั sí. ่วทําแต่ความหายนะทําแต่สิ่งที่เสื่อมเสียแก่ตัวเองแก่สังคมประเทศชาติมันเข้ากัอยู่ไม่ได้ตายนะอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เพราะว่าในบาปที่ตัวเองได้กระทํานั้นมันให้ผลเต็มที่ให้ผลเต็มที่ฉะนั้นท่านก็เปรียบเหมือนว่าในโมพระโทสะโมหะเนี่ยเหมือนกับสนิทนะ เหมือนกับสนิมที่มันเกิดขึ้นจากเหล็กสนิมที่มันเกิดขึ้นจากเหล็กมันก็กัดเหล็กให้ผุ ก, ก่อนไปนะ <Yeah. S 1> กัดเหล็กให้ขาดไปให้แตกไปข้อนี้ฉันใดไอ้ความเลื่อนความปวดความหมงเหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็กัดจิตใจของเจ้าของคนนั้นให้ผกให้ก่อนไปให้ย่อยยับไปให้ถึงความหายณะไปฉันนั้นเหมือนกันฉะนั้นาท่านผู้ฟังทั้งหลายจะยกตัวอย่างคนที่มีความโลภ ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอันนี้ก็สป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นในจังหวัดอยุทยาอีกนั่นแหลนะอันนี้มันก็เรื่องนี้ก็เคยเอามาออกเป็นโายการสแสดงทางทางโทรทัศน์ทางทีวีก็เป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้รับชมรับฟังกันทั่วประเทศก็คือเรื่องเรื่องกอไผ่ใหญ่เอี้ยงนะกอไผ่ใหญ่เอี้ยง เคยในเอี้ยนี่เกิดเป็นคนชาวอายุธยานะชาวอายุธยาเป็นไม้หัวตายอายุประมาณห้าสิบปีมีลกูกสามสีคนฐานะค่อนข้างดีนะฐานะค่อนข้างดีบ้านก็อยู่ใกล้ๆกับวัดก ล, ก ล, กลางนะก็อยู่ใกล้ๆกับวัดก ล, กลางแต่ว่าในเอี้ยงนี้เกิเป็นคนมีลูกมากเป็นคนเห็นแก่ตัว บ้านปลูกบ้านอยู่ติดกับอา่าเขตวัดวัดเม่อไหรก่อนนั้นไม่มีอะไรไม่มีกำแพงไม่มีหลักเสาเขตนะิดก็กำหนดเอาปรากฏว่ารเราเอียงแต่ก็เลิกที่วัดอยู่ด้วยเลยิกนะที่วัดอยู่ด้วยจะปลูกกไไอไผ่าเป็นขอบเรือบ้านแล้วเวลาจะปลูกกอไผ่ในกอไผ่มันก็แตกหน่อเลบกที่วัดไปเลยแต่ก็ตัดต้นเดิมไปไอไอหน่อใหม่ก็แตกหน่อไปเรืยแกก็ตัดต้ น, นะ น, ตดนเกกดเิมไปเรื่อยจนกระทั่ง ลูกที่เข้าไปในเขตวัดถึงหกวานะฮะกว้างหกวาแล้วก็ยาวไปตลับเลยเป็นเนะนส้นๆเลยนะเป็นเส้นๆีทวีตากรวดว่าที่วัดกลางนี้ก็เห็นว่าทางวัดนี้โรงเรียนมันเล็กแต่ก็อยากจะขยายโรงเรียนให้กว้างขวางเพื่อจะช่วยให้คุณระดัคุณฤทธิดาได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็จึงคณะกรกรมการก็จึงได้ศึกษาหาโดยกัเจ้าวา ก็ปลาบรถในการที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นก็จจอตรงไหนก็เห็นมือที่เหมาะอยู่ก็คือในเขตติดต่อกับบ้านของยายเอื้องนะบ้านของยายเอี้ยงทางวัดทางคณะกรรมการก็ขอร้องว่าให้ยายเอื้ยงเนี่ยตัดต้นไผ่เสือเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ที่ก็อไผ่เนี่ยมันรุกเข้ามาในที่รับมากเหลือเกินจะได้เอาที่เนี่ยสร้างโรงเรียนยายเอี่ยงพอฟังอย่างนั้นก็ไม่พอใจ อนะไม่พอใจหาว่าเจ้าวัดก็ดีหาว่าพวกคณะกรรมการก็ดีมากล่าวร้ายอ่ากล่าวโทษแกนะ่ไม่เป็นความจริง่นะที่จริงแกไม่เคยรู้ที่วัดแกว่าอย่างนั้นนะไม่ได้รู้ที่วัดแกก็ไม่พอใจเจ้าวัดเกลียดเจ้าวัดแล้วยิ่งไปจากนั้นแกยังเท่โทษว่าเด็กของวัดนี้มาลักมาเมืองในสวนกินบ้างคนละมากรากไม่ในสวนกินบ้า เจ้าวาดก็บอกว่าไม่ใช่เบ็กวัดเขาก็ไม่พอใจหาว่าเจ้าวาดนั้นเข้าข้างเด็กวัดนะเขาบอกอย่างนั้นอันนี้เราทําให้เอี้ยงนั้นบ้านอยู่ติดกับขวดวัดกลางก็เลยไม่อยากจะทําบุญที่วัดนี้นะเพราะไม่พอใจเจ้าวาดไม่พอใจคณะกรรมการของวัดแต่ไปทําบุญที่วัดอื่นวัดที่อยู่ไกลออกไปเป็นวัดเอหนือบ้านวัดเต้าบ้างนะแต่ว่าวัดกลางนั้นไม่ทําำไม่ทําก็ปรากฏว่า ไอบาตที่ใหญ่อเอี้ยงในกองที่รับอันนี้แหละมันก็เลยมาถึงมาถึงเรียกว่าตามมาทัน ว, งงวนนังเถอะวันนึ่เอี้ยงก็เกิดความเจ็บปวยขึ้นการเจ็บป่วยของใหญ่เอีงนั้นไม่มีมีอาการแล้วไม่ใช่ว่าจะหายวันหายคืนรู้สึกว่าห น, นวนหนักขึ้นทุกวันหนักขึ้นทุกวันแต่ใหญ่เอื่องนั้นนอนก็ไม่ได้แต่ต้องนั่งกินข้าวต้องให้เลือกในมาคอยนั่งจับคอนอยู่ด้วย เพราะแกนอนแล้วแกบอกว่าแกใจร้องอดอวยว่ามันมีหนามมาเท่มแทงน่ะมีหนามเหมืนกับหนามไผ่เนี่ยมาเท่มแทงแกแกจะบอกเลิกบอกว่าใครเอาหนามไผ่มาเลยไว้ที่ที่นานเพื่อเลิกเลิกก็ค้นหากันก็ไม่เห็นมีหนามไผ่ที่ไหนน่ะไม่มีหนามไผ่ที่ไหนอ้าวแกก็นั่งทรมานอยู่อย่างนั้นแหละแกก็ร้องโกลนคังแบบยังโดดเลิกอีกอ่าบอกว่าให้เอาหนาไผ่ออกไปเนี่ย เอาหนังไผ่มาทรมานใจอเรื่อยเอาไม้เทียแทงใจอยู่เรื่อยใจจะนั่งจะนอนนี้ไม่มีความสุขเลยมันเจ็บแสบสะอันร้อนไปหมดเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าใหญ่เอี้ยงเนี่ยได้ปลูกกอไผ่รกที่นรกที่วัดรกที่วัดฉะนั้นวันหนึ่งไอ้เอี้ยงก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะตัวเองนี่รู้สึกว่าเดือดร้อนมากทุกข์มากยากตอนนั้นเลยบอกเลิกบอกว่าไปตามเจ้าวาดมาพร้อมกับนิมนต์พระเพิ่มหม้สี่องค์ ลูกที่วัดฉะนั้นวันหนึ่งไอเอี่ยงก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะตัวเองนี่รู้สึกว่า <c oughs> เบืดร้อนมากทุกมากอยากแบบนั้นเลยบอกลูกบอกว่าไปตามเจ้าวาดมาพร้อมกับนิมนท์พระเพิ่มไหม่สี่องค์รวมทั้งเจ้าวาดด้วยเป็นห้าองค์นะลูกถามบอกว่านิมนมาทำไมล้วก็แม่ไม่ถูกกันนี่บอกเอาเถอะตอนนี้แม่มาํานึกได้แล้วว่าแม่ทาเวรทำกรรมไว้กับวัดนี้มาก โกงที่ดินของวัดนะแล้วก็ด่าด่าพระนะด่าเจ้าอาวาสทั้นแม่จะคืนที่ดินให้แม่จะขอขมาไผ่ขอให้ลูกไปนิมนต์มาปรากฏว่าลูกก็ไปนิมนต์เจ้าอาวาสมาพร้อมกับพระอีกสี่องค์เมื่อไปนิมนต์มาแล้วทั้งลูกก็ช่วยกันจะคองยายเอี้ยงนั้นให้จุดให้จุดโทุกเทียนนะเมื่อจุดทุกเทียนเสร็จแล้วยายเอี้ยงก็ อาประนมมือก็ปากก็ว่าพยักพเยิ้ออกไปเป็นการขอเข้ามาอาภัยบอกว่าสิ่งที่ดิฉันได้อโกงที่ดินของวัดนั้นบัดนี้ดิฉันได้สํานึกได้แล้วว่าดิฉันนั้นโกงจริงๆนะโกงจริงๆตั้งแต่บ้านของเสาบ้านของฉันไปถึงคอไผ่นั้นก็กว้างประมาณหกว่าแล้วก็ยาวเป็นแนวทางตลอดเลยนะฉันขอคืนให้กับวัดนะแล้วก็ ยังให้เลยเข้ามาในที่ดินของตัวเองอีกขอคืนไปและสิ่งใดที่ดิฉันได้เคยศพมาตราดพลังกล่าวร้ายต่อเจ้าวาดก็ดีต่อกรรมการก็ดีขอให้ท่านตรงโอโหจง โ, โหิกรรมให้ด้วยทางเจ้าวาดก็รับวาสาทุแล้วก็พูดว่าขอโอหสิกรรมให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถือโทษกฎรายยาได้มีเวรมีภัยอย่าได้มีคำต่อกันเหตุการณ์ก็อจจัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้น เมื่อเจ้าวาดนั้นลงจากบ้านใหญ่เอี้ยงไปแล้วปรากฏว่าใหญ่เอี้ยงนอนได้อย่างสบายไม่มีน้ำไผ่มาทิ่มมาแทงเนื้อตัวอีกเลยนี่เห็นไหมท่านผู้ฟังว่าความชั่วเนี่มันเดือดร้อนจริงๆนะมันเดือดร้อนจริงๆฉะนั้นเราอย่าทําความชั่วเลยนะเหมือนกับใหญ่เอี้ยงเนี่ยเห็นชัดเลยนะเห็นชัดเลยปลูก็อไผ่ลุกที่วัดเพราะกอไผ่เนี่ยปีๆมันก็แตกหน่อยเยอะนี่ นะแตกหน่อยเจ้าลูกที่วัดไปเลยตัวเองก็ถางเข้าไปเลยอนะถางเข้าไปปีหนึ่งเป็นวาเป็นศอกเป็นแขนก็ยาวไปเลยนะผลที่สุดก็คือตัวเองนั้นเหมือนกับหนามไผ่นั้นมาม า, มาทิ่มแทงตัวเองนะมาทิ่มแทงตัวเองหรือเหมือนกับคนที่ชอบเล่นการพ น, นันอกัดปลาชนไก่ปรากฏว่าพอใกล้จะตายก็ไอ้กรำอันนี้มันก็มาสะทอ้อนเป็นยังไงก็คือว่าตัวเองนั้นบางทีถ้าเอามือเนี่ยชนกันนะ เอามือเนชนกันเรียกว่าตีกันจนมือเลือดแหล่ะว่างั้นนี่แล้วบางทีก็ทําอาการเหมือนกับไก่ทําอาการเหมือนกับปลากัดกันนะอันนี้แหละมันเป็นผลผลจากการที่เราทําบาปเป็นผลจากที่เรากระทาความชัว่วฉะนั้นเมื่อเราทําชัว่วเราก็ได้รับผลของความชัว่วความชั่วมันไม่ได้หนีไปไหนเลยนะมันไม่ได้หนีไปไหนแล้วเราจะหนีความชัว่วก็หนีไม่พน้นนะหนีไม่พน้น พระพุทธองค์ได้บอกว่าเราทาความชั่วไว้แล้วเราก็ต้องได้รับอย่างนั้นเราจะหนีไปอยู่ในน้ำก็หนีไม่พ้นขึ้นบนประสาทก็ไม่พ้นจะหลบไปในเหวในถ้ามันก็ไม่พ้นนะไม่พ้นทางนั้นเรียกว่าเราทุกคนนั้นเป็นเจ้าของแห่งกรรมเราทาความดีเราก็เป็นเจ้าของแห่งความดีเราทําความชั่วเราก็เป็นเจ้าของแห่งความชั่ว เราจะต้องได้รับนะเพราะเราเป็นเจ้าของเราจะต้องได้รับนะไม่ใช่เราทำชั่วแล้วคนอื่นได้รับแทนไม่ใช่อย่างนั้นนะเราจะต้องได้รับฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเครื่องเชื่เห็นแล้วว่าคนที่มีความโลภความโกรธความหลงนั้นแน่นอนที่สุดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนดังใหญ่เอี้ยงที่มีความโลภมากคนมีโทสะเหมือนกันท่านผู้ฟังนะนคนมีโทสะก็เหมือ น, นกับเรื่องของในเล็ก ซึงไม่เคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่าที่ในเล็กนั่นไปซื้อขาหมูมานะอยากจะกินขาหมูอปรากฏเมื่อซื้อมาแล้วก็เอามาแขวนไว้เผลอไปหน่อยเดียวสุนัข ก, ก็เลยเอาไปกินเพอแก่เลือดไปไม่เห็นขาหมูแค่นั้นแหละแม่รู้สึกเสียดายเสียดายอารมณ์โทสะ ก, ก็เกิดชุ่งขึ้นมาทันทีเลยเหลียวไปดูซ้ายขวาว่ามันไปทางไหนไปเห็นสุนัข ก, กําลังกินแค่นั้นแหละแกก็ จับเอกระดูกที่สุนัข ก, กําลังกัดอยู่นั้นกัดทุ้งเข้ามาในคอสุนัขเต็มที่เลยกระดูกก็เลยทิ่มคอสุนัขนั้นคาอยู่อย่างนั้นเองสุนัขร้องรั่นเลยนะเ ร, เรียกว่ากระดูกทิ่มคอคาอยู่อย่างนั้นเป็นเกือบเกือบเดือนนะสุนัขนั้นตายนะเรียกว่าคนช่วยไม่ได้แนละ้วสุนัขมันร้องทั้งวันทั้งคืนนะร้องอดอดร้องขรั่งครวญทั้งวันทั้งคืนนะ คนอยากจะไปช่วยเหลือก็วิ่งหนีเข้าใกล้ไม่ได้เมื่อสุนัขนั้นตายไปประมาณได้เดือนเสร็จในเล็กก็เกิดอาการเจ็บที่คอเจ็บนะที่คอแล้วก็คาเคือเหมือนกับสุนัขทุกสิ่งทุกอย่างรักษากไม่หายหมอกฟางบ้านก็ไม่หายหมอโรงพยาบาลก็ไม่หายนี่มันเป็นเรื่องแรงกรรมนะมันเป็นเรื่องแรงกรรมไอ้โรคที่เกิดจากแรงกรรมนี่รักษาไม่หายนอกจากเราจะต้องใช้กรรมนะต้องใช้กรรม ก็ปรากฏว่าทุกคนก็ทราบดีว่าที่ในเล็กเป็นอย่างนี้ก็เพราะเอากระดูกหมูไปทิ่มแทงคอสุนักนั่นเองหรือคอหมานั่นเองนั่นแหละผลอันนี้ตัวเองก็จึงได้รับต้องเจ็บที่คอผลที่สุดก็ตายภายในสามเดือนนี่มีเพราะโทษะนะเพราะโทษะนะหรือเหมือนกับคนที่มีโมหะหลงในคนที่มีโมหะหลงไม่รู้ตามความเป็นจิตเป็นคนหูเบา เป็นคนอักตันอยู่ไอ้คนอักตันอยู่เนี่ยท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนที่นั้นเห็นไหมเมื่อสองสัปดาห์ น, นี้หนังสือพิมพ์ลงโลกตัดคอแม่ตัดคอออกมาเลยเอาออกมาวางไว้อีกข้างๆตัวนั่นเลยแหม่ฟังดูแล้วก็น่าสยดสยองนะน่าสยดสยองมากเนี่ยลูกอักตันอยู่คนมีโมหมะมากนะ ในคนที่มีโมหะมากเนี่ยคือมีความหลงมากมีความโง่มากคือถูกอวิชชาคือความไม่รู้ครอบงำจิตใจนะคนประเภทนี้เป็นภัยมากนะเป็นภัยต่อตัวเองเป็นภัยต่อครอบครัวเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อประเทศชาติและเป็นภัยต่อชาวโลกมากนะฉะนั้นขอให้ท่านลองลองนึกให้ดีว่าผู้มีพระคุณคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราจะทำลายได้หรือนะ หรือพระราชาหมากระสัดนามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ถือว่าเป็นบุคคกาลีบุคคลนะเป็นบุคคลผู้มีประคุณแก่เรามาก่อนนะฉะนั้นคนประเภทนี้ถ้าผู้ใดไปแตะต้องเข้าแน่นอนที่สุดผู้นั้นจะมีแต่ความหายนะมีแต่ความเสื่อมอันนี้ก็มีเรื่องที่เห็นเห็นกันชัดอยู่หลายเรื่องนะมีอยู่หลายเรื่อง <c oughs> <c oughs> ก็อย่างเช่น มีคนหนึ่งแต่ขอจังหวนนาไว้ว่าไม่ต้องบอกชื่อเือคนนี้แกได้รับมรดกจากพ่อแม่เป็นจำนวนมากมีนาเรียกว่านับเป็นพันพันไร่ไอ้ที่แม่พ่อแม่ต้องมอบนาให้เป็นพันพันไร่นั้นก็เพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเวลารับจำนองจำนำที่นาไว้แล้วก็ยังไม่รู้จะลงชื่อใครก็ลงชื่อของโลกคนนี้ไว้ก่อน ก็บอกไว้ว่าเอาลงชื่อไว้ก่อนแต่ว่าจะไม่ให้หมดซ้ำที่ให้ลงชื่อไว้หรอกอลูกก็รับปากหัวคับไม่เป็นไร ห, หรอกก็สุดแล้วแต่ว่าพ่อแม่จะให้ก็แล้วกันปรากฏว่าบ้านนี้ก็มีลูกหลายคนพอแยกเย่าแรกเรือนไปแล้วปรากฏว่ามันเกิดกับตลอปัจจัยทรัพสมบัติที่พ่อแม่ได้มาพันกว่าไร่ จะขอเอามาคืนแบ่งให้ลูกคนโน้นคนนี้บ้างแล้วก็ตัวเองจะเอาไว้ทําเองเอาทํากินเองบ้างไอ้ลูกคนนี้กลับไม่ให้กลับไม่ให้ระหว่างพ่อแม่กับลูกก็เลยต้องฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลกันนี่ท่านผู้ฟังลองคิดดูเกิดขึ้นโรงขึ้นศาลกันระหว่างพ่อแม่กับลูกพวกทนายความอพวกประชาชนต่างๆพอทราบข่าวอันนี้ก็เศร้าใจก็พยายามมาขอร้องว่าให้ลูกนั้นอะถอนเถอะ นะถอนตัวเถอะอย่าไปเป็นความกับพ่อแม่เลยมันไม่ดีเพราะว่าการเป็นความนี้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องมีแพ้ต้องมีชนะนะถ้าแพ้ก็มีหวังติดคุกนะีนะ่ฮฝ่ายลูกชายบอกไงเขาก็ต้องเอาตัวเองนั้นออกจากคุกก่อนเมื่อตัวเองออกจากคุกก็แน่นอนที่สุดพ่อแม่จะต้องติดคุกนี่พ่อแม่จะต้องติดคุกผลที่สุดเป็นไงท่านผู้ฟังทั้งหลายแพ้นะแพ้ คือไม่มีใครเข้าข้างเลยหรอกในลูกหลงถ้ามันอันตตาลอยต่อพ่อแม่แล้วก็มันไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมนะไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมแล้วลูกคนนี้ไม่ใช่เฉพาะมีนาเป็นพันไร่นะยังมีรถสิบล้ออีกเป็นสิบสิ บ, ส บ, สบคันนะมีรถสิบล้ อ, อเป็นสิบสบคันมีกิจการต่างๆอีกเอยอะแยะเดี๋ยวนี้หมดแล้วนะหมดโทกเขายึดหมดแล้วทรัพนะ ส, สมบัติรถก็หมดทุกคนัน นาพันธุ์ก็หมดนะกิจการค้าขายก็เสื่อมซ่อมหมดเลยแค่นั้นไม่พอท่านผู้ฝังแกก็เลยล้มป่วยเจ็บหนักนะล้มป่วยเจ็บหนักนะเป็นอั ม, มพาสเน่ทุกวันนี้เป็นอ ม, มพาสเน่าหมดแล้วนะเน่าหมดเลยนี่นี่แหละมันเป็นแรงกรรมแรงกรรมที่ทําชั่วกับพ่อกับแม่แรงกรรมที่มาคิดใส่ร้ายพ่อแม่ ดาว่าพ่อแม่โกงพ่อโกองแม่นี่แหละคือลูกอากตัญอยู่ลูกอกตันอยู่นี้พระพุทธองค์บอกว่าพื้นดินแม้จะหนาแน่นเป็นรร้อยยก็ยังไม่สามารถที่จะรองรับคนช่วยประเภทนี้ไว้ได้นะไม่ไ ด, ไมได้มันจะต้องทูพื้นแผ่นดินจบหน้าสักวันหนึ่งดูอย่างพระเทวทัตดูอย่างนางจินยมานาวิกา พวกนี้ฤดูอย่างสุข ป, ปพุท ธ, ธต้องถูกผืนแผ่นดินสูบนะแผ่นดินต้องแยกเพราะบาปมันมากความชั่วมันหนักหนักจนกระทั่งแผ่นดินไม่สามารถจะรองรับเลยได้ต้องแยก น, ะนี่โทษฐานเพราะไปคิดทำลายพระพุทธเจ้านะฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็คือคนที่ฆ่าพระอรหันต์ของลูกฆนะ่าพระอรหันต์ของลูกก็มีโทษเท่ากัน ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำลายสงฆ์ให้แตกกันหรือว่ายังอพระโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห่อไอในที่ต่างๆอย่างนี้ถือว่าเป็นอนันตฤกย์กรรมก็หมายถึงว่าเป็นกรรมหนักเป็นกรรมที่ให้ผลหาระหว่างไม่ได้ก็หมายถึงว่ากรรมนี้มันให้ผลติดต่อกันไปทุกพบทุกชานิะนะตั้งใจเริ่มทำกรรมนี้จะให้ผลทันที ให้เสริมตามไปทันทีแล้วยังมีอีกหลายหคนท่านผู้ฟังต่างหลายเกี่ยวกับเรื่องคนอักตันอยู่เกี่ยวกับเรื่องคนทําชั่วที่มีอวิชชามีความเอลุ่มหลงมากๆฉะนั้นเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์เตือนจิตสกิดใจท่านอย่างได้ดีว่าอย่าทํานะอย่าทําอย่าคิดอทํำลายพ่อแม่อย่าคิดเป็นลูกอักตันอยู่นะ เราว่าพ่อแม่นี้ถือว่ามีบุญคุณกับลูกมากไม่มีใครในโลกนี้ที่จะมีบุญคุณเท่ากับพ่อแม่ในโลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่ในโลกนี้ไม่มีใครเป็นห่วงเป็นใยเท่าพ่อแม่ในโลกนี้ไม่มีใครถนอมเราเปรียบหมเราเท่ากับพ่อแม่คนอื่นที่ว่ารักเรานั้นไม่ได้เครื่องเซี้ยวของพ่อแม่ฉะนั้นท่านอย่าคิดทำลายพ่อแม่ถ้าคนไหนทำลายจะได้ช่อว่าเป็นคนอักกตันอยู่ เป็นคนอกตันอยูก็คือคนชั่วดังพุทธพาสิทธิที่บอกว่าไม่ิมิตตางสาธุรูปานังกตัญญุกตเวทิตาว่าคนคนที่มีความกัตันอยู่ก็คือคนที่มีเครื่องหมายของความดีแล้วพูดกลับกันอีกในหนึ่งว่าคนที่มีเครื่องหมายของความดีก็คือคนกัตันอยู่ตรงกันข้ามคนที่อักตัญญูก็คือคนที่มีเครื่องหมายของความชั่ว หรือคนที่ทำชั่วก็คนที่มีเครื่องหมายของความชั่วนั่นแหละเป็นคนอักตันอยู่นี่เราพูดกับมันฉะนั้นเราอย่าเป็นคนอากตันอยู่หรืออย่าให้ใครเขามาตราหน้าว่าเป็นคนอักขันอยู่ต่อบิดามารดาต่อครูอาจารย์หรือต่อพระราชามากระสับหรือต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะจงเป็นคนดี <c oughs> ฉะนั้นที่พูดนี้ก็เป็นการพูด ยกตัวอย่างขยายความในข้อที่สองว่าพระพุทธองค์นั้นได้ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตลองตามให้เห็นจริงได้เกิดสติปัญญาาพิจารณารู้เท่าทันต่อที่พระองค์ได้ายกแสดงขึ้นนั้นได้อย่างที่พระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆพระพุทธองค์ก็ได้มาแสดงธรรมมาจากกับปวตันสูตรกับพระปัญจวคีจนกระทั่งพระปัญจวคีมีพระัญญาโกณทัญญาได้พิจารณา แล้วก็มองเห็นตามที่พระองค์ได้แสดงมองเห็นตามที่พระองค์ได้แสดงพระองค์ที่แสดงนั้นก็คือแสดงย่อยๆก็คือว่าไม่ให้เตะในทางสุดตรงสองทางก็คืออยาประพฤติปฏิบัติอะไรที่มันหย่อนเกินไปอการมาสุขาริกานุโยกก็คือว่าประกอบไปด้วยการการทําอะไรที่มันสบายๆตามใจตัวเองนั่นแหละมันหย่อนไปอัตติรามัฐานุโยกก็คือะทําตัวเองให้ตึงเกินไป ก็คือว่าทรมานตัวเองมากเกินไปปล่ยปลยอยอดอดอยากๆยากหรือชนิดที่ว่า อ, าอยากจะอวดว่าตัวเองแน่เป็นผู้วิเศษอดข้าวอดน้ำอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ลาบากหรือนอนบนตะโพว์อะไรเนี่ยมันทรมานตัวเองให้ลำบากอันนี้ไม่ใช่เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานไม่ใช่เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานฉะนั้นให้เดินทางสายกลางทางสายกลางก็คือมรรคมีองค์แปด มักมีองค์แปดนี่แหละเป็นทางเป็นไปเพื่อความรู้เป็นทางอแห่งมักผลแห่งไม่ผ่านฉะนั้นอ่อปัญญาะวิธีทั้งห้าโดยเฉพาะพระัญญาโกนอันยะได้พิจารณาตามนี้ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพระองค์จึงได้ตรัสว่าอัญญาสิวัตโะโกนทันยูอ่าพระัญญาได้รู้แล้วหนอะอ่าโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอเนี่ยฉะนั้นนี่แหละแสดงว่า พระองค์ทรงสั่งสอนนั้นมีเหตุนะที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ทันนี้แหละก็เป็นหลักฐานดังที่ว่ามาทีนี้ก็มาในข้อที่สามข้อที่บอกว่าทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแก่การปฏิบัตินั้นนะที่บอกว่าทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์นะในคําว่าอัศจรรย์นี่ก็คือว่า ได้ผลได้ผลอย่างน่าอัศจรรย์ที่บางครั้งเราก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะนึกไม่ถึงไอ้ที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะว่าผู้ปฏิบัตินะผู้ปฏิบัตินั้นย่อมได้รับประโยชน์โดยสมควรแก่ความปฏิบัติคนไหนตั้งใจปฏิบัติมากคนนาั่นก็ได้ผลมากได้รู้มากได้เห็นมากได้บุญมาก คนไหนปฏิบัติน้อยคนนั้นก็ได้รู้น้อยได้เห็นน้อยได้บุญน้อยนะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติทำสมควรแก่ทำนะสมควรแก่การปฏิบัติทำและเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลที่เราได้รับมันให้เตินความคาดหมายนะเกินความคาดหมายดูอย่างนายทุกตะนายทุกตะก็คือคนเข็นใจนะทุกตะบุรุษ คือเป็นบุรุษผู้เข็นใจเป็นบุคคลที่ยากจนเข็นใจแกเที่ยวรับจ้างเขานะรับจ้างเขาปรากฏว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมีคนหนึ่งไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนเราที่เกิดมาในโลกนี้จึงไม่เหมือนกันบางคนเกิดมา ร่ำรวยทรัพ์สมบัติแต่ว่าไม่มีเพื่อนพ้องบริวารบางคนเกิดมามีเพื่อนพ้องบริวารแต่ไม่ร่ำรวยทรัพ์สมบัติบางคนเกิดมาไม่ร่ำรวยทรัพ์สมบัติและไม่มีเพื่อนพ้องบริวารบางคนเกิดมาร่ำรวยทรัพสมบัติ และมากไปด้วยเพื่อนพ้องบริวานที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุอะไรนี่ท่านผู้ฟังลองคิดให้ดีพระพุทธองค์ก็ตัดเลยว่าคนที่เกิดมาร่ำรวยทรัพสมบัติแต่ไม่มีเพื่อนพ้องบริวารเพราะว่าผู้นั้นเกิดมาแล้วชอบทำบุญสุนทานด้วยตัวเองแต่ไม่ยอมชักชวนบุคคลอื่นทำบุญคนประเภทนี้เกิดชาติใดแสนใด จะร่ํารวยทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีเพื่อนพ้องบริวาร น, นี่ฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูว่าทุกวันนี้ท่านทําบุญเองไหมทําด้วยตัวเองหรือเปล่าทําด้วยทรัพย์สมบัติของตัวเองหรือเปล่าแล้วท่านทําบุญเนี่ยท่านชักชวนคนอื่นทําบุญหรือเปล่านะทุกวันนี้เรากลัวกันนะสังเกตดู จะไปทางไหนในเราจะบ่นกันมากที่งในระยะนี้เป็นระยะอ่าท่อป่าท่อกระถินกันรู้สึกว่าเรากลัวกันเหลือเกินหลบเห็นซองกรถินสองว่าป่าล้วหลบนะบางคนก็ทําเป็นนั่งสมาธิไปเลยก็มีบางคนพอเห็นแล้วหลบกันกวู่นวาเหมือนกับว่าเป็นศัตรูอันร้ายกาจนะ <c oughs> จริงๆแล้วท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องหลบต้องอะไรเลยมันเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องดีมาก คนเขาชวนเราทําบุญเนี่ยเราควรภูมิใจนะเราควรภูมิใจแต่คนไหนมันชวนเราทําบาปสิเราควรจะหลบนะเราควรจะหลบมันชวนเราไปเล่นการพนันมันชวนเราไปเล่นอ่าอ่าไปเล่นไพ่หรือว่าามันชวนเราไปดูหนังดูละครเข้าบาร์เข้าคลับอบอาบนวดหรือว่ามันชวนเราไปในแหล่งอบายมุขต่างๆอย่างนี้เราควรจะหลบเราควรจะหลีก เราก็จะทำเป็นนั่งสมาธิสเสล่แต่เรากลับชอบนคนไหนมันชวนเราไปนี้เราเรายังกลับยกย่องว่าไอ้ในใจตั้งใจนักเลงใจถึงนี่แต่คนไหนที่มาชวนเราเข้าวัดเข้าวาทำบุญุนทานกลายว่าเป็นเรื่อง เ, อเป็นเรื่องเรียกว่าหน้าเบืดอหน่ายหน้าเบืดอหนายกลัวเสียเลอวเกิน น, นี่เขาเรียกว่าเรากลัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัว ไอสิ่งที่น่ากลัวเรากลักไม่กลัวนี่แหละปัญญามันไม่เกิดะเขาเรียกว่าปัญญามันไม่เกิดขอให้ท่านผู้ฟังลองคิดให้ดูคนชวนเราทําบุญนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่งา น, นแล้วการทําบุญกระถินเนี่ยเดือนหนึ่งปีหนึ่งมีแค่เดือนเดียวมีจํากัดแค่เดือนเดียวไม่ได้มากมายอะไรเลย แต่อีกสิบเอ็ดเดือนนั่นเราไปทํากันอย่างอื่นนะทําอย่างอื่นแล้วก็ถิ้นั้นก็พระพุทธองค์อนุญาตให้ทอดได้เพียงแค่เดือนเดียวแค่นั้นนะฉะนั้นนี่แหละพวกเราจรึงไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจจึงรู้สึกว่าบนกันแล้วบางคนพอเขาแจกซองมาแล้วก็ไม่กล้าเอาไปแจกคนอื่นไม่ยอมชักชวนบุคคลอื่นกลัวเขาจะว่านะกลัวเขาจะว่านี่บางทีหนันงสือพิมพ์ยังวาดภาพเป็นการ์ตูนว่าเหตุการ กำลังนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็ซองนี่ท่วมเลยแล้วก็อตัวเองนั้นหลบไปอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยหลบไปอยู่ใต้โต๊ะที่จริงไอ้เงินการทําบุญอในเรื่องกระถินพระป่าเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอกไอ้เงินที่มันไปเสียอย่างอื่นนะการพนันนั้นมันมากกว่านี้นะเราจะได้ยินอยู่บ่อยๆบางคนในคืนหนึ่งตั้งสามแสนสี่แสนเนี่ยเป็นล้านๆก็มีนะแต่อัที่จะมาทําบุญอย่างนั้นหายยะนะหายยะฉะนั้นอันนี้ก็ ฝากท่านผู้ฟังไว้เป็นข้อคิดนะฝากไว้เป็นข้อคิดโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่บอกว่าหากว่าเราได้ปฏิบัติทมได้ถึงที่แล้วก็ท่านก็ควรจะภูมิใจนะท่านก็ควรจ ะ, อะพอใจนะควรจะพอใจฉะนั้นที่บอกว่าคนบางคนเกิดมาแล้วอชอบ ทำบุญเองด้วยแต่ไม่ชอบชักชวนบุคคลอื่นทำบุญคนประเภทนี้จะร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองแต่จะไม่มีเพื่อนพ้องบริวารประเภทที่สองชอบชักชวนบุคคลอื่นทำบุญแต่ตัวเองไม่ทำช อ, าาชอบประกาศชอบเป่าร้องคนอื่นมาทำบุญทอดกระถินทอดปลาปลาแต่ตัวเองไม่ทำไม่ทำไม่ยอมลงทุนคนประเภทนี้เกิดชาติใดแสนใดก็จะมากไปด้วยเพื่อนพ้องบริวาร แต่จะไม่ร่ารวยทรัพย์สินเงินทองนี่บางคนเราจะเห็นว่ามีเพื่อนฟูงเยอะนะมีเพื่อนฟูงเยอะแยะเลยไปทั้งไหนรู้สึกว่ามีเพื่อนฟูงแห่แหนห้อมล้อมอยู่มากแต่ว่าเขารู้สึกว่าจะเป็นคนขัดสนนะไม่ค่อยมีเงินมีทองใช้บริบูรนี่ประเภทที่สองประเภทที่สามตัวเองก็ไม่ยอมทําบุญด้วย แล้วก็ไม่ยอมชักชวนบุคคลอื่นทําบุญด้วยนะคนประเภทนี้เกิดชาติใดแสนไหนก็ยากจนข้นแขนทรัพย์สินเงินทองยากจนทั้งเพื่อนพ้องบริวารไม่มีเพื่อนพ้องบริวาร น, นี่ไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวคนประเภทนี้ก็เหมือนตายทั้งเป็ดนะตายทั้งเป็ดเงินทองก็ไม่มีเอเพื่อนฝูงก็ไม่มีจะพึ่งพางอาศัยแม้มันลําบากไปหมดเลยอยู่ก็เหมือนตายนะอยู่ก็เหมือนตาย นั่นแหละมันเหมือนกับพวกอเรียกว่ายาจกวันนี้พกขอทานนั่นแหละพวกนั้นแหละ <c oughs> ประเภทที่สี่ประเภทสุดท้ายก็คือตัวเองชอบทําบุญเองด้วยแล้วก็ชอบชักชวนบุคคลอื่นไปทําบุญด้วย <c oughs> คนประเภทนี้เกิดชาติใดแสนใดจะร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองและมากมีเพื่อนพ้องบริวารแหแหนห้อมล้อมเต็มไปหมดเลยท <c oughs> ่านเราจะเห็นบางคนนี่แม่เขาทําอะไรนี่รู้สึกว่า มันเป็นเงินเป็นทองนะเราจะชมยกย่องเขาคนนี้มีบุญบรารมีมากมีวาสนามากอาพูดอไอ้นิดอะไรหน่อยวู้ยคนนี้พร้อมเพรียงกันมาร่วมงานร่วมบุญร่วมกุศลนะใครก็อยากเข้ามาพึ่งพาอาศัยนี่แหละเป็นคนที่เรียกว่าตัวเองก็ชอบทําบุญด้วยอแล้วก็ชอบชักชวนบุคคลอื่นทําบุญด้วยนายคนนั้นพอฟังพระพุทธเจา้าตรัสอย่างนี้ก็อยากจะทําบุญบ้านะแล้วก็คิดว่าตัวเองก็จะทําด้วย แล้วก็อยากจะชกชวนบุคคลอื่นทําบุญด้วยนะเรียกว่าจะได้มีร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองแล้วก็จะได้มีทางเพื่อนพ้องบริวารว่าองั้นเถอะก็ปรากฏว่าก็ไปเป่าร้องให้กับประชาชนทั่วไปว่าตัวเองนั้นจะทําบุญเลี้ยงพระสักห้าร้อยองค์ว่าใครจะรับเลี้ยงพระร่วมบุญร่วมกุศลกับตนบ้างก็ไปถึงบ้านของไหนทุกขต่จาจักชวนบอกนี่สหาหัอเพื่อนเราจะทําบุญเลี้ยงพระ เจ้าจะร่วมบุญร่วมกับเราไหมอมจะรับพระไปเลี้ยงสักองไหมหรือสักห้าองค์สิบองค์ก็ได้ในคนเข็นใจนี่บอกว่าแหมเพื่อนไอเรานะเขาสารจะตากินกรอกหม้อยังไม่พอเรารับไม่ได้หรอกนะเรายากจนมากนี่พอพูดอย่างนี้ชายคนนั้นก็ได้จังหวะเลยบอกนี่คุณคุณคิดให้ดีนะคุณคิดให้ดีว่าที่เรามาชวนนี่เราชวนให้ท่านทาดี ชวนให้ท right? cool. ่านได้บุญชวนให้ท่านได้กุศลที่ท่านเกิดมายากจนไม่มีข้าวจะหุงไม่มีผ้าจะนุ่งเนี่ยเพราะท่านไม่ทําบุญนะก็ท่านไม่ทําบุญไว้ในฟางก่อนด้วยเพราะท่านไม่ทําบุญไว้ในปัจจุบันด้วยท่านจึงไม่มีข้าวจะหุงจึงไม่มีผ้าจะนุ่งจึงไม่มีของจะใช้จึงไม่มีอาหารจะกินนี่เป็นเพราะท่านไม่ทําบุญไม่สะสมบุญเออ นายทุกาตะพอฟังอย่างนั้นเออน่ากลัวจริงจริง อ, อ่าเอาท้างั้นก็ขอร่วมบุญรับพระไว้สักองคหนึ่ง อ, อ่าพราะงั้นขอรับพระไว้สักองคกลับไปบ้านก็ไปบอกภรรยาว่าพรุ่งนี้นะ อ, อ่าได้รับจะทําบุญเลี้ยงพระเ ข, า, ขาไว้สักองคหนึ่ง อ, อ่าภรรยาก็พูดสามีพูดอย่างนั้นก็ดีใจเออจริงสินะพี่ว่าเราเนี่ยเกิดมายากจนเหลือเกิน อ, อ่าเพราะเราไม่ได้ทําบุญกันไว้ต่อไปนี้เราทําบุญแล้วก็บุญก็คงจะช่วยเราก็ปรากฏว่า หลังจากนั้นแล้วในทุกษาก็ไปเตรียมเก็บผักนางกลางหญ้าที่จะเอามาต้มมาแกงเพื่อจะถวายพระส่วนภรรยา น, นั่นก็ผ่าฟืนไปตามข้าวไปร้องเพลงไปดีอกดีใจจนคนแปลกใจว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมไอ้คนใช้สองคนนี้ไม่อารมณ์ดีเหลือเกินนี่เพียงจะคิดจะทำบุญก็รู้สึกดีใจปลื้มใจนะก็ปรากฏว่า ขอรกรักตัดใจความเพื่อให้พร้อมเหมาะกับเวลาก็ปรากฏว่านายทุกษะนี้ก็โชคดีนะได้ได้เลี้ยงอาหารพระพุทธเจ้านะได้เลี้ยงอาหารพระพุทธเจ้าคนที่จะได้รับพระพุทธเจ้าไปชันพัตตารนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะจะต้องมีอุปนิสัยแก่กล้าเพียงพอต้องมีบุญญาวาสนาจึงจะได้ก็ปรากฏว่า คนตั้งเป็นพันัๆคนนี่ไม่มีใครได้พระพุทธเจ้าไว้เลยพวกปราชามหากษัตริพวกเสด็จีกณบดตรีนี่มาคอยอยู่ที่หน้าพระคันธบุตีของพระพุทธเจ้าต้องการจะรับบาตจากพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธองค์ส่งบาตให้ใครก็หมายถึงว่าพระพุทธองค์จะไปบ้านนั้นก็ปรากฏว่านายปรากฏว่าพระพุทธองค์ก็ส่งบาตให้กับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเสวยพระกาหารอย่างบ้านของนายทุกตะก็ปรากฏว่า หลังจากพระพุทธองค์ได้ชันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนาในทุกตะนั้นก็มาส่งพระเจ้าที่วัดพอกลับจากส่งพระพุทธองค์แล้วก็เดินกลับไปที่บ้านเกิดเหตุอัจรรย์ก็คือว่าภรรยาลูกนั้นไม่สามารถจะอยู่บนบ้านได้ลงมาอยู่ข้างล่างถามบอกเอาทําไมต้องลงมาอยู่ข้างล่างก็เพราะว่าเงินทองมันเต็มบ้านหมดนี่มันเป็นเหตุอัจฉรย์ท่านผู้ฟังทั้งหลายที่จะมาได้พูดนี้ก็คือว่าธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นเหตุอัจฉริย์ถ้าหากว่าเราปฏิบัติ ได้ถึงที่เต็มที่แล้วย่อมจะอานวยะโยชส์สุขให้กับเราอย่างมหาศาลฉะนั้นที่อาตมาได้พูดมาเกี่ยวกับเรื่องอาการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนสามอย่างก็พอสมควรกับเวลาขอให้ท่านผู้ฟังสังหลายจงประสบความสวัสดีโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร